แต่ไม่ต้องซ้าคัญก็ได้วันสองสามวันห้หกเจ็ดวันปัดกวาดไปอย่างผมอยู่ภูเจา้าก็องหลวงปูล่าก็เหมือนกันทั้งทีบินทบบาททุกเช้าลงมาที่บ้านแวงแต่ไม่ใช่ปัดกวาดทุกเช้าทุกวันนะปัดกวาดที่ทางบนถ้ำบริเวณที่พักพาอาศัยแต่ส่วนทางบินทบบาทเจ็ดวันปัดกวาดครั้งหนึ่ง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 ถ้าจะอยู่ทาวรท่านก็ต้องให้อยู่จำพรรษาที่พัดน์บวรเซะก่อนห้าปีจากนั้นท่านจึงให้ออกใบสุดที่ให้อันนี้ผมผมก็ทําลักษณะอย่างนั้นมวนกันแต่ผมไม่ได้พูดแต่ถ้าอยากจะไปมีความจําเป็นก็นเอาผมก็ออกใบรับรองให้ไปก่อนถ้าออกมาถึง5ปีแล้วเหรอถึง5ปีเออเอาออกใบสุดที่ให้พอถ้าเป็น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 ในใจเขาจะท้านหวั่นไหวแล้วเพราะนั้นไม่มีไม่มีใจที่จะถามทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อพระพองค์สั่งเพียงนั้นก็เพียงแต่รับไว้ตนเองแต่พอประธานสงฆ์ถือท่านพระมหากัะเจะเถระถามว่าพระพุทธเจ้าได้สั่งเสียอะไรไว้บ้างอา น, นุนก่อนที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะปรินิพานในวันนั้นหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยพระ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 ในห0าร้อยองค์นั้นพวกพวกที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็มีธรรมมาค้าขายก็มีเป็นพิพากษาอายการก็มีเป็นพวกพราม์ก็มีเป็นคณะครูบาอาจารย์ก็มีเป็นกษัต ร, ร์ก็มีหลายกลุ่มในเมื่อหลายกลุ่มกเคืคนเกิดมาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันถ้าพวกชาวไร่ชาวนาพวก ทำรั้วทำสวนพวกทาํามาค้าขายโอ้ยเสียเขียวัดไม่จําเป็นหรอกอไม่จําเป็น ย, ยุงเยิงยังไงกินจะอิม่มก็กินอย่างนั้นแหละเราจะไม่ฉันดังจับจับเราจะไม่ฉันดังสูดสดูเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่ฉันทำกับพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พด